วันนี้เป็นวันอังคารที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พวกเราลูกๆทั้งหลายจะได้มาทำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อและของคุณแม่ผู้ให้กำเนิดพวกเรามา ถ้าพวกเราไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่พวกเราก็จะเกิดมาไม่ได้ดังนั้นพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆนั้นเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกๆนี้อาจจะไม่สามารถตอบแทนได้อย่างสมบูรณ์ พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าต่อให้ ล, ลูกเลี้ยงพ่อแม่อย่างดีแบกท่านไว้บุญบามันไรให้ท่านขับทายลดตัวเราพระคุณของท่านเราก็ยังชดใช้ไม่หมดถ้าอยากจะชดใช้ให้หมดเราต้องสามารถสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระ โสดาบันขึ้นไปถ้าท่านได้เป็นพระโสดาบันนี้ถือว่าท่านพ้นจากบายและท่านจะไปสู่พระนิพพานในเวลาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก mm hmm. ก็ทำให้ท่านบุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าง อย่างหมดจดอย่างสิ้นเชิงตัวพระพุทธเจ้าเองก็ท่งทดแทนพระบุญคุณของพระพุทธมารดาหลังจากที่พทธเจ้าได้ทรงตัดสร้แล้วก็เด่งยาดูหาดูวิญญาณของพุทธมารดาที่ได้คลอดเจ้าชายสิทธัตถะและเจลตฉวนคน ภายในเวลาเจ็ดวันหลังจากที่ได้คลอดพระราชาลสเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอเจ้าชายสิทธัตถะได้บวชได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้า ม, มีความสามารถที่จะเล่งญานหาดูดวงวิญญาณต่างๆว่าอยู่ที่ใดได้ได<ม>พระพุทธเจ้าก็ทรงเล่งยาณหาดวงวิญญาณของพุทธมารดา ที่ไปเกิดอยู่ในสวรรค์สามารถที่ติดต่อกับพุทธมานดาได้สามารถแสดงธรรมโปรดพุทธมานดาตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันจนพระพุทธมานดาได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันหลังจากที่เป็นพระโสดาบันแล้วนี้ก็ไม่ไม่ต้องสอนอีกต่อไปก็ได้สามารถที่จะ ปฏิบัติไปให้ถึงพระนิพพานได้ตามลำดับต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีผู้คอยสอนคอยบอกเพราะเข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วใครได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานก็จะไปสู่พระนิพพานไม่ช้าก็เร็วไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากส่วนพระราชาบิดา ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดแสดงธรรมตอนใกล้ตายเจ็ดวันก่อนจะตายก็บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมานี่คือวิธีทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าทดแทนด้วยการแสดงธรรมให้แสงสว่างที่จะให้ดวงวิญญาณจิตใจ ของผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สำหรับพวกเราถ้าเรายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอราิยบุคคลสิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้ก็คือดูแลบิดามารดาให้ดีตามกำลังของเรา ถ้าท่านอยู่ในสภาพที่ต้องมีการดูแลมีการช่วยเหลือเราก็ต้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือให้ท่านอยู่อย่างสุขสบาย mm. ไม่ควรที่จะทอดทิ้งกัน mm. ไม่ควรลืมบุญคุณของบิดามารดา mm. ไม่ควรปฏิเสธบุญคุณของบิดามารดาเ mm. พราะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เป็นสิ่งที่เรารับมาอย่างเต็มอย่างเต็มใจรับมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มที่เรามาเกิดกันนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะมีร่างกายกันเพราะเรามีความอยากในใจที่อยากจะหาความสุขทางโล ก, กธรรมก็คือทางลาบยศสรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสพ้าชนิดต่างๆ เมื่อเรามีความอยากนี้อยู่ดวงวิญญาณของเราในช่วงที่ไม่มีร่างกายก็จะคอยหาดูว่าใครกำลังตั้ ง, งท้องอยู่ถ้ารู้ถ้าถ้าสามารถเข้าไปครอบครองอเด็กทารกที่ตั้งอยู่ในท้องได้ก็จะเข้าไปยึดทันที แล้วก็หลังจากที่ข้อเออกมาจากท้องแม่แล้วก็ใช้ร่างกายอันนี้เป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากผู้งเสียงกิรลดพทธพาชนิดต่างๆดังนั้นการที่ไปปฏิเสธว่าเราไม่เป็นนี่บุญคุณของพ่อของแม่นี้ ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นนี่เพราะเราได้ร่างกายมาจากท่านท่านเป็นคนสร้างร่างกายนี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะล้ำลึกถึงพระบุญคุณของท่านท่านให้ร่างกายแล้วแล้วท่านยังเลี้ยงดูเราด้วยในช่วงที่เรายังไม่สามารถดูแลตัวเราเองได้ตอนที่อยู่ในท้องก็อาศัย อาหารของพ่อของอาหารของแม่ที่เลี้ยงดูผ่านทางสายสะดือจนกระทาั่งร่างกายเจริญเติบโ ต, ตครบมีอวัยมีอวัยวะครบสาสิบสองแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในท้องแม่ได้ก็คลอดออกมาก็คลอดออกมาใครดูแลเราล่ะใครดูแลเราขณะที่เรายัางดูแลตัวเราเองไม่ได้ ก็พ่อแม่นี้ย่หละที่ต้องคอยดูแลเราด้วยความเมตตากรุณาด้วยความรักด้วยความสงสารอยากให้ลูกนั้นอยู่สุขอยู่สบายตลอดเวลาถึงแม้บางเวลาพ่อแม่อาจจะอดยากขาดแคลนก็ตามพ่อแม่ก็ยอมอดแต่เพื่อให้ได้ลูกได้มีกินให้ได้ให้ลูกได้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย นี่คือความเสียสละของพ่อแม่ของความเมตตาของพ่อแม่ uh huh. ซึ่เป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ uh huh. ถ้าพ่อแม่ไม่มีความเมตตาไม่มีความสงสาร uh huh. ก็อาจจะไม่เลี้ยงดูเราก็ได้ uh huh. ข้อออกมาแล้วก็อาจเอาไปทิ้งที่ไหนสักแห่งหนึง uh huh. ให้อยู่ตามยถากรรมไปหรือบางคนก็ไม่ให้ ข้อออกมาก็มีมีการไปทำแท้งหรือถ้าข้อออกมาแล้วก็บางทีก็จับใส่ถุงยัดใส่ถุงให้ขาดลมหายใจตายไปก็มีมนี่แหละคือพ่อแม่ที่ไม่มีความรักไม่มีความเมตตาต่อลูกๆแต่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราให้กำเนิดเรา แจนกระทั่งเราสามารถจเจริญเติบโตขึ้นมาได้อยู่จนทุกวันนี้นั้นแสดงว่าเรามีพ่อแม่ที่มีความรักมีความเมตตากับเรามากมีความสงสารกับเรามากในบางครั้งถ้าอาจจะพูดหรือกระทาอะไรที่อาจจะไม่ถูกใจเราก็ก็อาจจะมีอยู่บ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องแยกแยะว่า เรื่องของพ่อแม่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการที่ท่านเป็นคนธรรมดาสามัญคนที่มีกิเลสมีความโลภโกรธหลงอยู่บางเวลาท่านก็อาจจะอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสทำให้ท่านาขาดสติทำให้ท่านอาจจะพูดอาจจะกระทำอะไรไปในทางที่ไม่ดีไม่ควรก็ตาม แต่นี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทุกคนที่บางครั้งบางคราวก็อาจจะมีการพูดการกระทำอะไรที่เราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ผุดขึ้นในขณะนั้น <c oughs> ก็อาจจะทำให้พูดแล้วกระทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้ <c oughs> เราก็ต้องเข้าใจ <c oughs> แต่โดยหลักใหญ่แล้ว <c oughs> พ่อแม่เลี้ยงดูเรารักเราเมตตาต่อเราบุญคุณของท่านนี้ถึงแม้ ว, ว่าท่านจะอาจจ ะ, ะเป็นคนไม่ดีเป็นคนอะไรก็ตามอาจจะไปติดคุกติดตารางอันนี้มันเป็นเรื่องของของตัวท่านเองแต่เรื่องเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่กับเราที่เป็นลูกๆนี้มันมันเอกเรื่องหนึ่งมันไม่เอามาลบล้างกันได้ แล้วลูกไม่ควรที่จะอ้างว่าพ่อแม่เป็นคนไม่ดีแล้วก็เลยไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่มีสาเหตุอันใดที่เราจะมาลบล้างบุญคุณของพ่อแม่ที่มีที่มีกับเราได้ขอให้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าคนเหล่านี้ก็มีหลายสถานภาพเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่างหนึง่ง เป็นคนธรรมดาที่มีความโลภความโกรธความหลงก็อีกอย่างนึงแต่เราดูผลหลักที่เกิดขึ้นกับเราว่าเราอยู่ได้มาตลอดนี้เรามีร่างกายนี้ได้และเรามีการสนับสนุนในด้านการศึกษาอะไรต่างๆส่งเราเล่าเรียนให้เรามีวิชาความรู้ เวลาเราไม่สบายก็พาเราไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลทำอะไรทุกอย่างให้เราโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียวทําให้ด้วยความเมตตาดังนั้นขอให้เราราลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นคนเนรคุณหรือคนอาการยิ้คนอากรตรยิ้ก็คือคนที่ไม่มีความกตันยู เธอไม่มีความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ไม่มีการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ในในเวลาที่ควรถ้าเนรคุณก็หมายถึงทำร้ายพ่อแม่ลกูลกๆนี้ไม่ควรที่จะทำร้ายพ่อแม่โดยเด็ดขาดในพระพุทธศาสนาพระเจ้ทาทรงสอนว่ากรรมที่หนักนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน ที่เรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมข้อที่หนึ่งกรรมที่บาปที่หนักที่สุดก็คือการพ่อหนึ่งการฆ่าพ่อสองการฆ่าแม่สามการฆ่าพระอรหันต์สการทำให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดและหาการยุยงให้สงเกิดความแตกสามะคีกัน นี่คือการกระทําที่ถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดนตายแล้วจะต้องตกไปตกนรกในขุมที่เล็กที่สุดและอยู่นานที่สุดเพราะบุคคลเหล่านี้ท่านมีพระคุณต่อต่อเราทั้งนั้นพ่อแม่ก็มีพระคุณเลี้ยงดูเราให้กําเนิดเราให้ร่างกายเราพระอาหารหันตสาวกพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็ ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนธรรมะให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเรานี้ได้มีโอกาสได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่มีมพวกเราจะไม่มีใครสามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย<ม>ต่อให้เราเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติตามลำพังของเรา มากน้อยเพียงไรก็ตา<ม>่างก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ยกเว้นว่าถ้าเรามีสะสมบารมีในระดับของพระโพ ธ, ธิสัตว์เท่านั้น<ม>ที่จะสามารถทำให้เหล่านี้ค้นหาทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้สะสมบุญบารมีต่างๆมาอย่างโชคชน จึงสามารถทำให้ท่านนี้สามารถพบทางที่พาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะพระองค์ตอนต้นก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะอยากจะพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่มีอาจารย์รูปใดสามารถที่จะบอกทางให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะได้เจ้าชายสิทธัตถะก็เลยต้องไปค้นคว้าหาได้ด้วยหาด้วยด้วยตนเอง จนในที่สุดก็ได้พบทางหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วหลังจากที่ได้หลุดพ้นแล้วก็นำความความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นผู้ที่อยากจะหลุดพ้นพอได้ยินได้ฟังก็สามารถที่จะปฏิบัตินดะ้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้บรลุเป็นพระอรหันตสาวก ได้เป็นผู้ที่มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง ม, ม, มากขึ้นและได้ได้อย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีหน้าที่สั่งสอนอบรมให้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุก แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการที่ไปทำลายพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ดีหรือไปยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกความสามัคคีก็ดีหรือว่าเป็นการทำลายสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่งพอๆกับคุณค่าประโยชน์ของพ่อของแม่จึงถือว่าเป็นบาปหนักมากตายไปนี้ก็จะต้องไปตกนรกอย่างแน่นอน น, นี่คือสิ่งที่เราไม่ควรกระทำกันนะการที่จะป้องกันไม่ให้เรากระทำสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องหมันนำนึกถึงพระคุณของบิดามารดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมเนียมชาวพุทธเหล่านี้มักจะกราบพระไหว้พระก่อนนอนพ้าก็มีเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารกพระสงสารกแล้วก็ พระที่เป็นพระในบ้านก็คือพ่อและแม่พราหลานในในบ้านของพวกเราก็คือพ่อและแม่ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งกับพวกเราพระคุณของพ่อแม่ก็คือทำให้เราได้มีร่างกายทำให้เราได้มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาส่วนพระคุณของพระพุทธศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือจะสอนให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด จึงเป็นบุคคลที่เราวควรที่จะคารบเทิดทูน<ม>กราบไหว้บูชาไม่ใช่มาคอยทำร้ายทำลาย<ม>ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของเราที่อาจจะไปคิดในแง่ที่ไม่ถูกก็ได้<ม>จึงมีธรรมเนียมให้เราลำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกทุกวัน เช่นเวลาก่อนนอนเราก็ไหว้ผ้าสวดมนต์เจริญบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จแล้วเราก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นวกกร า, กกาบพ่อกราบแม่ในระหว่างที่กราบเราก็รำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ที่ให้กําเนิดเรามาที่เลี้ยงดูเรามาถ้าไม่มีพ่อไม่มีแมก่ก็จะไม่มีเราให้ทําอย่างนี้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เวลาที่จิตใจเรา คิดไปในทางต่ําคิดไปในทางที่ไม่ดีจะได้ยับยั้งไว้ได้จะได้ไม่ต้องแบนั่งเสียใจในภายหลังหลังจากที่ได้ทำกรรมไปแล้วเมื่อทำไปแล้วมันไม่สามารถที่จะลบวิบากกรรมของกรรมที่ได้กระทำไปได้ก็ต้องรอรับวิบากไปเท่านั้นเองอ น, นี่คือสิ่งที่เราชาพุทธควรที่จะ ลำเลิกอยูเรื่อยๆก็คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระคุณของพ่อของแม่มเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ถูกที่ดีที่ควรที่จะพาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆอยู่กับความสุขอันยั่งยืนอันถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงได้ การที่เราจะเข้าถึงความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่เป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงการไปศึกษากับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็อาจจะ ไม่ได้ศึกษาจากจากแหล่งที่ถูกต้องก็ได้เรานั้นเราควรจะศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนพระพุทธเจ้าก็ศึกษาโดยผ่านพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้และมีการจดมีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเราก็ไปศึกษาจากพระไตรปิฎก เราศึกษาจากหนังสือที่คัดออกมาจากพ่อไตวิโดกซึ่งท า, นนางคณะสงฆ์ก็มีการคัดเอาธรรมะหัวข้อธรรมต่างๆที่มีที่มีคุณมีประโยชน์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่จะพาให้ชีวิตนั้นไปสู่ทิศทางที่ดีที่งามไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ เช่นพระสูตรที่ที่ที่มีการสวดอยู่เรื่อยๆก็คือมองคลละสูตรมงคลสามสิบแปดมงคลสามสิบแปดนี้ก็จะบอกวิธีการดำเนินชีวิตของชาวพุทธเราว่าควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับต่อไปก็เริ่มต้นด้วยอาศัมนาจบารานัง บันฑิตานันจาเสวนาผู้ช aja ผูบบ้ชนยานังเอตัมังกะลมุตตมังแปลว่าหนึ่งไม่คบคนพาลคนพาลก็คือคนง้อคนที่ไม่มีปัญญาความรู้ความฉลาดในทางธรรมเรียกว่าคนพาลให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนที่มีความรู้วิชาทางธรรมเพราะว่าถ้าเราไปคบกับคนง่อ เขาก็จะสอนให้เราโง่ตามเขาถ้าเราไปคบกับบัณฑิตบัณฑิตก็จะสอนให้เราฉลาดตามเขาในการที่เราจะไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องศึกษาจากบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาบัณฑิตที่สูงสุดก็คือพระอริยสงสารุกนับนั่งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดได้เรียนรู้จากท่านท่านก็จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ันั้นเบื้องต้นเราควรจะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนไว้เป็นมาตรฐาน แล้วหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วถ้าเรายังต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาริยสงฆ์หรือพระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราก็ไปหาพระอาจารย์ที่เราคิดว่าเป็นพระอาริยสงฆ์สาวกของพอระพุทธเจ้า mm. ก็ได้ไปศึกษาได้ไปฏิบัยปฏิบัติกับท่านแล้วเราก็จะได้มีอะไรเปรียบเทียบ ว, ว่าท่านสอนตามหลักธรรมคาสอนของพอระพุทธเจ้าหรือเปล่า หรือสอนไม่ถูกกันขัดกันอย่างไรเราก็จะได้รู้แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนแล้วท่านอาจจะสอนอะไรที่มันไม่ไม่เป็นไปตามที่พูุทธเจ้าได้สงสอนเราก็จะได้รู้เราก็จะได้ระมัดระวังว่าไออันนี้ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่พูุทธเจ้าสงสอนก็ได้ เพราะว่าครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นท่านก็มีมีคุณธรรมหลายระดับด้วยกันต่างกันบางระดับบางองค์ก็อาจจะมีคุณธรรมสูงบางองค์ก็ยังมีคุณธรรมไม่สูงก็ได้และท่านก็อาจจะสอนโดยที่ท่านเข้าใจผิดไปเองก็ได้ไม่ใช่ว่าท่านมีเจตนาที่จะมาหลอกเราแต่บางทีท่านก็ยังอาจจะมีความหนงผิดได้เห็นผิดเป็นชอบได้อ การที่เราไปศึกษากับท่านถ้าท่านสอนผิดถ้าเราได้ศึกษาจากพระไตรลิโกมาก่อนเราก็จะได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางของการปฏิบัติเช่นสมัยนี้มีมีข่าวว่ามีคุบาอาจารย์บางคนสอนว่าไม่ต้องฝึกสติไม่ต้องนั่งสมาธิให้เจริญปัญญาเลยอันนี้มันก็ ไม่ตรงกับที่พุทธเจ้าทรงสอนล้ ว, ว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีการปฏิบัติสติมีการเจริญสมาธิก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเรามีสติมีสมาธิแล้วเราเข้าฌานได้แล้วเราก็ไปทางปัญญาต่อได้เลยมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนเราทำได้ถึงขั้นไหนแล้วหรื อ, อยัง เช่นขั้นแรกเราทำมุญทำทานเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองได้หรือไม่ไม่เอาสัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขได้หรือไม่ใช้เงินทองเพียงเลี้ยงดูร่างกายคือปัจจัยสี่เท่านั้น <c oughs> นอกนอจากนั้นย่อดจะไม่เอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่างๆอยากลูกเสียงกิ่นลิตภ จะหาความสุขจากการไปบาเพ็ญจิตภาวนาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบหาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองหรือว่าเรายังอยู่ในขั้นไหนอยู่เรายังโลภต้องการเงินทองมากๆอยู่หรือเปล่าเรายัง อยากใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรารู้เปล่าอยากจะใช้เงินทองเป็นเครื่องดับความทุกข์ของเราหรือเปล่าถ้าเรายังอยากจะใช้เงินทองในเรื่องราวเหล่านี้อยู่ก็แสดงว่าเรากําลังหลงทางเพราะเงินทองนี้ไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ใจได้อาจจะดับได้เป็นชั่วครัง้งชั่วคราวเช่นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็อาจจะ เอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของอะไรที่เราอยากได้พอเราได้ไปเที่ยวความทุกข์ใจก็อาจจะหายไปชั่วข่าวแต่พอเรากลับมาจากเที่ยวเดี๋ยวไม่นานความทุกข์ใจอันนั้นก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ mm hmm. เงินทองนี้ไม่สามารถใช้ดับความทุกข์ได้ถ้าดับได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องออกบวช ไม่ต้องไปไปทุกข์ทรมานอยู่กับการเป็นนักบวชเป็นขอทานอยู่แบบอดอยาขาดแคลนท่านก็อยู่ในวังใช้เงินทองนี้ดับความทุกข์ต่างๆแต่ความทุกข์บางอย่างนี้เงินทองมันดับไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตาย ความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพาจากสิ่งที่เรารักมือมือบุคคลที่เรารักความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องเผชิญกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาถ้าเราไปเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเราให้มีเงินเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้อาจจะบรรเทาความทุกข์ของร่างกายได้อยู่เป็นร่างกายเป็นโรคเป็นอะไรก็ ไปหาหมอไปหายามารักษาได้บรรเทาความทุกความเจ็บปวดของร่างกายได้ไปแต่ความทุกข์ทางใจนี้จะไม่ได้ไม่ได้บรรเทาลงไปกับการบรรเทาของความของความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางใจนี้ต้องใช้ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าอยากจะดับความทุกข์ทางใจเราต้องต้องมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติธรรมะให้เกิดขึ้นภาในใจให้ได้ธรรมะที่ต้องเกิดขึ้นในใจของพวกเรานี้ก็คื อ, เ, อเดี๋ยวตอนนี้มีฝนมากตกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวขอดูสภาพก่อนว่าจะเป็นยังไงถ้าตกไม่มากก็อาจจะไม่ต้องขยับขยายกัน ตอนนี้ลองนั่งสมาธินั่งเฉยๆไปสักพักก่อนดูก็ได้เพราะผลหน้านี้มันไม่ได้ตกตกหนักตกแรงอะไรบางทีมันตกปล่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ท่านใดถ้าอยากจะขยับขยายก็เชิญตามอธัธยาศัยถ้าเข้ามานั่งมีที่ลมนั่งแล้วก็ก็ลองนั่งสมาธิรอไปก่อน รอให้ฝนตกหยุดก่อนแล้วรอค่อยทำกิจกรรมกันต่ อ, อนั่งหลับตายาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้เดีย๋ยวจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ฝนคงจะตกไม่นานหรอกฝนช่วงนี้ตกเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หยุดตกไม่หนัก ตรงนี้เราก็นั่งนั่งทำสมาธิไปก่อนแทนที่จะฟังธรรมเราก็นั่งฟังนั่งฟังเสียงเสียงฝนใบพังพังก่อนแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าดูจุดเดียวจุดที่ลมเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก ลมจะสั้นลมจะยาวก็ไม่ต้องไปบังครับให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวอมลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปขอให้เรามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาก็าแล้วกันโดยที่ใจเราไม่ต้องไปทําอะไรเราต้องการให้ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยอาศัยการดูลมหายใจเข้าออก เป็นที่ผูกใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่ใจของเราจะได้สงบใจของเราจะได้นิ่งเวลาใจของเราสงบเวลาใจของเรานิ่งแล้วใจเราจะเย็นจะสุขจะสบายจะมีอุเบกขาจะวางเฉยได้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับอะไรที่กำลังเกิดขึ้นเฉยๆได้ฝนตกก็ไม่เดือดร้อน นั่งอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องทําอะไรก็ไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขถ้าเรามีสติมีสมาธิอ่ากนั้นตอนนี้ถ้ามีที่นั่งเรียบร้อยแล้วก็นั่งหลับตาไปถ้าดูลมไม่ได้ดูลมไม่เป็นก็ใช้คำบริกรรมไปก่อนใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ หรือถ้าอยากจะสวดมนต์ก็สวดได้สวดในใจสวดบทอิติิโสสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปสวดไปหลายๆรอบก็ได้สวดจบรอบหนึ่งแล้วก็สวดอีกรอบหนึ่งสวดไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจจะได้อยู่นิ่งๆเฉยๆได้ถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวใจก็จะกวลกรงวายกระสับกระสายอยากจะลุกไปทำอะไรต่างๆ และเมื่อถ้าลุกไปทําอะไรไม่ได้ก็จะรู้สึกหงหุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาดังการบรรเทาความหงุดหงิดลาคาญใจให้ใจอยู่นิ่งๆอย่างสบายมีความสุขเราก็ต้องมีสตินํานึกรู้อยู่กับกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งแบบใดแบบหนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปหรืออยู่กับบทสวดมนต์ไปอิติปิโสภควาอัลลังสั ม, มาสามพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุตโตโลกาวิถุสวดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับผลที่กําลังตกไม่ต้องไปสนใจกับไทยทั้งนั้นให้ใจเราอยู่กับบทสวดมนตน์ไปหรือถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความสบาย หรืจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บางท่านก็เอาพุธโทกับลมหายใจด้วยกันก็ได้เช่นกาลังหายใจเข้าก็ว่าพุธเวลาหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ได้มีหลายหลายรูปแบบด้วยกันในการฝึกใจในการทําใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายซึ่งจริเขของเราแต่ละคนนี้อาจจะไม่เหมือนกัน บางคนชอบดูลมอย่างเดียวก็ดูลมไปบางคนชอบบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวก็บริกรรมพุโทโธไปบางคนชอบดูลมและพุโทโธด้วยก็ทําไปทำได้ไม่ผิดไม่ผิดวิธีการทำสมาธินี่มีหลากหลายวิธีด้วยกันบางคนก็ชอบอลำเลึกดูอาการสามสิบสองก็ได้เช่นลำลึกถึงชื่อของอาการก่อน ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับทั้งผืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้อแมลงน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดจะลึกถึงชื่อก่อนแล้วต่อมาก็ดูภาพนึกถึงภาพของอาการเหล่านั้น ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรกระดูกมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนื้อเป็นอย่างไรอวัยวะภายในถ้าเราเคยดูหนังสืออสุภะนีเราก็อาจจะเห็นอวัยวะต่างๆเช่นเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นสมองเป็นต้น เราสามารถใช้อาการเหล่านี้เป็นเครื่องปลกใจให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ใจของเรานั้นตั้งอยู่ในความสงบได้อันนี้ก็แล้วแต่จริตแล้วแต่อากาการปฏิบัติว่าเราไปอยู่ขั้นไหนแล้วบางคนอยู่ขั้นสูงก็ไปไปสู่กรรมฐานที่ยากได้บางคนก็สามารถดูซากศพต่างๆได้ ดูศพที่ขึ้นเอิญที่ตายวันสองวันดูศพที่เริ่มเริ่มพองขึ้นมาเริ่มมีสีเขียวคับอะไรต่างๆเริ่ม เ, เริ่มเน่าเริ่มเปื่อยไปตามสภาพของมันการดูซากศพเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ใจเราสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ อยู่กับพลังกำลังของใจของแต่ละคนคนบางคนใจอ่อนยังไม่สามารถดูภาพเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องดูอันนี้ไม่ได้บังคับกันเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนถ้ายังเป็นผู้เริ่มต้นจิตใจยังอาจจะอ่อนแออยู่ยังไม่กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวหรือไม่สวยไม่งามต่างๆ ก็ใช้ใช้พุทโธไปใช้สวดอิติปิโสไปหรือใช้ดูลมหายใจเข้าออกไปบางคนใช้ลมแล้วมันก็ไม่นิ่งใช้พุทโธก็ไม่นิ่งแต่พอใช้อาการสามสิบสองแล้วมันก็นิ่งขึ้นมาอันนี้แล้วก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ทดลองเอา การปฏิบัตินี้มันต้องมีการทดลองลองผิดลองถูกอยู่คือมันอาจจะไม่ถูกกับเราแต่มไม่ใช่เป็นของผิดเป็นแต่ว่ามันไม่ถูกกับเราเราก็เปลี่ยนเช่นถ้าพุโทโธไม่ถูกกับเราเราถูกกับการดูลมหายใจเราก็ดูลมไป อ, มอันนี้ไม่ไมผิดนะทำได้ข้อสำคัญอย่านั่งเฉย เพราะถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจมันจะหลอกเรามันจะปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาให้เราคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาปรุงแต่งให้มีภาพขึ้นมาให้มีเสียงอะไรแตปลกๆขึ้นมาแล้วเราก็จะหลอกให้เราไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาบางคนก็ว่าเป็นเทวดาบางคนก็ว่าเป็นเปรตเป็นอะไรขึ้นมา บางคนก็คิดว่าตอนนี้อยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกอันนี้มันไม่เกิดอันนี้เป็นเรื่องของความปรุงแต่งของจิตออผู้ที่จะสามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้จริงนี้ต้องเข้าสมาธิไปก่อนจิตต้องเข้าในสมาธิในระดับอุปจารสมาธิแล้วถ้าเป็นจิตที่สามารถอยู่ในอุปจารสมาธิได้จิตแบบนั้นนะถึงจะสามารถที่จะไป ท่องเที่ยวในสวรรค์ในนรกได้สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้แต่าสาหรับผู้ที่กำลังฝึกขัดเบื้องต้นจิตยังไม่สงบนี้แล้วมีภาพอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมานี้อย่าไปหลงตามมันรู้มันมันเป็นของมันภาพปลอมภาพหลอกที่จิตใจปรุงแต่งขึ้นมาหลอกไอมาหลอกตอนเองอย่าไปสนใจให้เราตกอดติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนา ถ้าเราใช้พุโทโธแล้วก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธอย่าไปตามภาพตามอะไรที่ปรากฏให้เราเห็นให้อยู่กับพุโทโธไปเลิศ อ, อยู่กับลมไปถ้าเดี๋ยวภาพต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกลัวมันเป็นของที่อยู่ในใจเราใจเร า, ใจเราผลิตสร้างขึ้นมาเองถ้าเรามีสติเราก็สามารถหยุดมันได้พอเห็นอะไรที่น่ากลัวปรากฏขึ้นมาเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไป เดี๋ยวภาพต่างๆที่น่ากลัวก็จะหายไปไม่มีอะไรน่ากลัวในขณะที่เราภาวนาะมันไม่ได้เป็นของจริงมันเป็นของหลอกเป็นเหมือนภาพฝันเนี่ยเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างแต่มันไม่สามารถมาทาํราร้ายเราได้ทําลายเราได้มันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจของเราอาจจะเป็นเพราะอํานาจของบุญ ห, หรือของบาปที่เราได้ทํามาในอดีต มันจึงทําให้ใจของเราสร้างภาพต่างๆขึ้นมาถ้าเป็นบุญมันก็มักจะสร้างภาพที่ดีสร้างเหตุการณ์ที่ดีให้เราได้สัมผัสที่เราเรียกว่าฝันดีถ้าเป็นบาปมันก็จะสร้างภาพด้วยเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆอันนี้เป็นผลของบาปที่เราได้ทํามาในอดีตมันสามารถแสดง แสดงภาพเหล่านี้ได้ในขณะที่เรานอนหลับเวลานอนหลับนี้เราไม่มีสติที่จะไปควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจได้ความคิดปรุงแต่งของใจก็จะถูกอานาจของบุญและของบาปเป็นผู้ผลักดันให้คิดปรุงแต่งไปในเรื่องที่ดีบ้างในเรื่องที่ไม่ดีบ้างเช่นเดียวกับตอนที่เรานั่งสมาธิช่วงใดที่เราไม่มีสติเพอไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมก็อาจจะทําให้ สังขารตัวปรุงแต่งนี้มันปรุงแต่งเรื่องต่างๆขึ้นมาได้งั้นเราพอเรารู้ว่ามีเรื่องปรากฏขึ้นมานี้แสดงว่าเราเราต้องรู้แล้วว่าเราไม่มีสติแล้วเราต้องรีบกลับมาที่พุโทโธหรือกลับมาที่ดูลมหายใจพอเรากลับมาปป๊บเดียวเดี๋ยวภาพที่ปรากฏขึ้นมามันก็หายไปไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้นคร ในขณะที่เรานั่งสมาธิสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นเหมือนเหมือนภา พ, พยนตร์ที่เราดู <c oughs> คนดูกับภาพยนตร์นี้มันภาพยนตร์ที่เหตุการณ์ในภาพยนตร์ไม่สามารถมาทำอะไรกับคนดูได้ <c oughs> จิตก็เหมือนกัน <c oughs> จิตเป็นเหมือนจอจอภาพ <c oughs> <c oughs> ภาพมันก็ปรากฏขึ้นบนจอแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่สามารถทาลายจอภาพได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรน่ากลัวน่าตกใจสิ่งที่น่ากลัวน่าตกใจก็คือการไม่มีสติเวลานั่งสมาธินี้อย่านั่งโดยที่ไม่มีสติต้องมีสติกำกับใจให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วจะนั่งอย่างปลอดภัยจะไม่มีปะภาพมาปรากฏให้รับรับรู้จะมีแต่ความเย็นสบาย ความสงบก็จะค่อยๆสงบไปตามลำดับความสงบนี้ก็อาจจะสงบได้สองลักษณะสำหรับบางท่านที่ใช้คำบริกรมพุโทโธพุโทโธนี้ก็อาจจะสงบแบบตกหลุมตกบ่ก็ได้เวลานั่งพุโทโธพุโทโธไปพอไม่ได้คิดอะไรปับ๊บพอจิตมันนิ่งมันก็เหมือนตกลงมาจากที่สูงแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายไม่มีอะไรน่ากลัวแต่มันจะรู้สึกว่าตกเหมือนตกหลุมตกบ่ตกเถว อันนี้แบบตกแบบพวดพลาดแต่ถ้าดูลมหายใจเข้าออกนี้มันมักจะต ก, ตกทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดตกทีตกทีละนิดเทียหน่อยสงบลงมาทีละขั้นทีละขั้นแต่ในที่สุดถึงขั้นที่สี่มันก็นิ่งสงบเย็นสบายพอถึงขั้นนั้นแล้วจิตก็นิ่งไม่ทำงานอะไรต่อไปสักแต่ว่ารู้มีอารมณ์เดียวก็คือเอกัตารมคือสักแต่ว่ารู้ แล้วก็มีความสุขความสบายแล้วก็ปราศ จ, จากความรักชังกลัวหลงเพราะนั้นจิตไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงเฉยๆและการสงบนี้ก็อาจจะมีสองรูปแบบสงบแบบ ร, ร่างกายหายไปจากการรับรู้เลยก็มีหรือว่าสงบแบบที่ยังรับรู้ร่างกายอยู่ยังรู้ความเจ็บของร่างกายรู้เสียงที่เข้ามาทางหูอยู่ แต่ใจไม่ไปวุ่นวายไปกับมันใจเฉยๆไม่เดือดร้อนสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปนี่คือลักษณะของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่พูะเจ้าต้องการให้พวกเราเจริญกันให้มากเพื่อให้มีกำลังทั้งสร้างใจให้มีกำลังอุเบกขาที่จะสามารถมาต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้ สมาธิอีกรูปแบบหนึ่งที่สงบแล้วไม่อยู่เฉยๆเอาไปท่องเที่ยวในในโลกทิพย์ไปสวรรค์ไปนรกไปเจอกับพวกกายทิพย์ต่างๆอันนี้เ็าเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ไม่เหมาะต่อการเจริญมรรคผลนิพพานไม่เพราะว่ามันไม่มีอุเบกขา มันจะทําให้ใจนี้ไม่มีกําลังสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้และอาจจะหลงผิดคิดว่าเป็นทางสู่มรรคผลนิพพานก็ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ๆถ้าเราอาจจะมีวาสนาที่จะไปเข้าอุปจารสมาธิได้ก็ควรจะดึงกลับมาอย่าปล่อยให้ไปดึงกลับมาที่พุโทโธพุโทโธนุ่ที่ลมหายใจให้นิ่งๆให้อยู่กับให้อยู่กับใน ในชาในรู ป, ปรชาสี่แทนให้มีิวเบกขาไม่ให้ไปปรุงแต่งไม่ให้ไปท่องเที่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆอเพราะว่าอุปจารสมาธินี้สมาธิที่มีความสามารถที่จะติดต่อกับโลกทิพย์ได้นี้มันไม่มีกําลังของอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมานี้พอเจอกิเลสขึ้นมาก็สู้ไม่ไหวแต่ถ้าเป็นสมาธิที่อยู่ใน ที่มีอุเบขานี้หลังจากที่ออกจากสมาธิมานี้เวลาเจอกิเลกก็พอสู้กันได้แล้ยิ่งถ้ามีปัญญามาสอนว่ากิเลสเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆก็จะสามารถหยุดกิเลสหยุดปัญหาความอยากต่างๆได้นี่คือลักษณะของสมาธิที่มีหลายรูปแบบด้วยกันที่เอามาฝากท่านในวันนี้ เพื่อให้ท่านได้นํามาไปพิจารณาเวลาที่ท่านปฏิบัติแล้วเจออะไรขึ้นมาจะได้รู้วิธีแก้ไาขาได้โดยหลักก็คือถ้านั่งแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นสแสดงว่าเราเผลอละสติเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่มีอะไรผูกมัดใจไว้ใจก็เลยไปปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพอเรารู้ตัวก็รีบดึงกลับมาให้อยู่กับ กับอารมณ์ที่เราเคยใช้อยู่ใช้พุโทโธก็กลับมาใช้พุโทโธใช้ลมก็กลับมาดูลมต่อแล้วเดี๋ยวอาการากต่างๆก็หายไปการปฏิบัติสมาธินี้สิ่งที่เราต้องการก็คือความนิ่งความสงบความสบายความอิม่มความพอที่เรียกว่าอุเบกขาศัก แ, แต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้รับรู้นอกจากความเย็นความสบายของจิตใจเพื่อที่จะได้เป็นฐานของปัญญาต่อไป การที่เราจะเอาปัญญาไปใช้ต่อสู้กับกิเลสนี้ก็เหมือนกับเอาเอานักรบนี้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูถ้าถ้านักรบไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้พักผ่อนหลับนอนก็จะไม่มีกำลังถึงแม้จะมีอาวุธมีอะไรก็จะไม่สามารถไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้จิตใจที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้มีการรับ การรับอาหารรับการพักผ okay. mm ่อนจากสมาธิไม่ได้มีสมาธิไม่เข้าสมาธิแล้วคิดว่าจะใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวเพื่อไปต่อสู้กับกิเลสตัณหานี้สู้ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีอุเบกขาหยุดหยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาในใจก่อนด้วยการฝึกสมาธิบ่อยๆฝึกมากๆให้อุเบกขามีกําลังมากๆ พอเรามีอุเบขาแล้วพอปัญญาบอกว่าอยากไปอยากนะอยากลดทุกข์นะอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนะ <_ AfD> เราก็จะหยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายใจเราก็จะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น <_ jeux> นี่แหละทำไมเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิกันก่อนก่อนที่เราจะไปใช้ทางใช้ปัญญามาดับความทุกข์ต่างๆเพราะว่าเหมือนกับเอาเอาเอาทหารเอ เอาฐานไปสู่สนามลบโดยที่ไม่มีอาหารไม่มีเสเบียงให้ทานไม่ไม่กินไม่รับประทานไมน่มีที่พักผ่อนหลบหลบนอนให้ต่อสู้อย่างเดียวก็วเดี๋ยวมันก็หมดกําลังกําลังก็จะไม่มีการ่าต่อสู้กับกิเลสนี้นอกจากต้องใช้ปัญญาแล้วยังต้องใช้เสเบียง คือใช้สมาธิใช้ความสงบที่เป็นอาหารของจิตจิตที่สงบนีจิตจะมีพลังจะมีความอิม่มความสุขทำให้สามารถต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ น, นี่ก็คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในช่วงที่มีฝนตกซึ่งตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงง่าเพียงเท่านี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะท้าวเลวาหาปูราปัลิกุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปปฏิอิชิตตังปัต um ิตังตุมหังคิดเมวะสุลิจัตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตตสัพพโรโควินาศตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลั เช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเทจทางยูทู e ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทาง a ฟ e b o o k 482ท่าน YouTube พระอาจารย์288ท่าน YouTube ทานดรว h ชาแ e l 61ท่านครับเ้า5ท่าน y o t u b e ออนไลน์11ท่านหน้ากุติมี232ท่านเจ้าขารวมทั้งหมดเป็น 1,079 ท่านเจ้าค่ะมีคำถามหรือเปล่ามีเจ้ า, า่ะ อ, อ, อ, อยากจะถามอะไรหรือเปล่าคำคำนีำน้เอาไมโครโฟนเลย อัพูดจากตรงนี้นะครับจะจะถามหลวงพ่อครับว่าสมมติคนเราเกิดมาเนี่ยครับแล้วออต้องเสียชีวิตตั้งแต่เด็กยังไม่ทันได้เรียนรู้พระธรรมเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรแล้วแล้วเขาจะได้บุ ญ, ญยังไงครับในในภพชาติหน้านครับอ๋อก็คนเรานี่มันมีสาเหตุที่ทําให้อายุเช่นสุดลงได้หลายสาเหตุด้วยกันอาจจะเป็นทางด้านอากาศหรือทางด้านอะไร มันไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของบุญเรื่องของบาเปเพียงอย่างเดียวบุญกับบาปก็มีสวยบุญก็จะทำให้อายุยืนยาวบาปก็จะทำให้อายุสั้นได้แต่ไม่ใช่เป็นเหตุเดียวอาจจะเป็นทางองื่นทางกรรมพันธ์ก็ได้พ่อแม่มีโรคภยัยไข้เจ็บติดมาก็ลูกก็ติดมาด้วยอะไรทำนอนี้การที่อยู่อาศัยของเราการกินการอยู่ของเรามันอาจจะไม่ถูกหลักสักถูก สุขลักษณะมันก็ทําให้เกิดหรือเกิดอุบัติเหตุของพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเหตุที่ทําให้คนตายไดนะ้แต่เรื่องว่าเกิดมาแล้วถ้ายังไม่ได้ทําบุญก็ก็ถือว่าพลาดโอกาสไปก็ต้องรอรอบหน้ารอรอบหน้ามาเกิดใหม่แล้วมันจะเริเติบโตพอมารู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็ค่อยมาทําบุญทําอะไรกันต่อไปได้แต่ว่าเราเป็น ในคาเป็นข้อเป็นหน้าที่เราสามารถที่ทําแทนที่ลูกไปก่อนได้กัน อ, อ๋อไม่ได้เราบุญบาปนี่ของใครของมันแต่ทเทแต่ ว, ว่าถ้าเขาไปแล้วเขาไม่มีบุญติดตัวไปแล้วก็สามารถทําบุญส่งไปให้เขาได้บ้างแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มากไม่มากกับเท่ากับที่เขาทําเองในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เราก็ทําได้แค่นี้ตอนนี้เขาตายไปแล้วเราก็ทําบุญแล้วก็ส่งบุญส่วนหนึ่งไปให้กับเขา ก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้น้อยลงไปแล้วก็จนกว่าเขาจะได้ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่ซึ่งถ้าตายตั้งแต่เด็กๆยังไม่มีบุญมีบาปติดตัวไปก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้นก็ได้มากกว่าคนที่อยู่นานมาทำบุญทำบาปไว้มากต้องเวลาผลบุญผลบาปไว้กว่าจะได้กลับมาเกิดอีกรอบอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า เรื่องเราเล่านี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องทำใจอุเบกขาเรื่องของกรรมที่เจ้าบลวสารโลกมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอะไดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปอ่นอย่างเข้าใจไหมมีคำถามจากผู้รับฟังทางบ้านจากเฟซบุ๊กจากคุณโชโกโยโย่เจ้าค่ะ การตักบาตรพระถ้าไม่กรวดน้ําแต่แผ่กุศลให้เจ้ากรรมในเวรจะได้รับใหม่คะกราบสาทูค่ะโดยการอุทิศบุญนี่ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ำนะนํำน้ําไม่ใช่ตัวบุญตัวกุศลคะน้ําเป็นเพียงตัวอย่างเพราะบุญกุศลมันเป็นนมามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราเล้ก็เลยเอาสมมติว่าน้ํานี้เป็นเหมือนบุญแล้วเราก็เทจากถ้วยหนึ่งไปใส่อีกถ้วยหนึ่งก็ ย้ายบุญจากใจของเราไปสู่ใจของผู้รับอีกทีหนึงเท่านั้นเองไอ้เวลาอุทิศบุญนี้ให้แลึกในใจได้เลยเช่นใส่บาตรเสร็จก็ไม่ต้องรอให้มาให้ผ้าสวดด้วยผ้าไม่เกี่ยวผ้พาเพียงแต่ให้กําลังใจส่วนว่าทําบุญแล้วจะได้ไปบุญจะได้ไปสวรรค์แต่การอุทิศบุญนี้เมื่อเราทําบุญเราก็มีเงินมืนมีเงินอ่ะมีเงินรเราอยากจะให้ใครก็ให้ไปได้เลยอันนี้พอเรามีบุญเราอยากจะอุทิศให้ใครแล้วก็นึกภายในใจ เขาทิดบุญนอนนี้ส่วนนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่รวงรับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็จะไม่ได้รับถ้าเขารอรับแล้วเราไม่อุทิศให้เขาเขาก็รับไม่ได้โอเคค่ะกรรมธรรมสการค่ะพระอาจารย์อ อ, อ, อหนูจะถามเรื่องเจ้ากรรมนายเวร น, นะคะพระอาจารย์ เ, เรื่องความเชื่อค่ะคือเราวอะถูก ถ, ถูกสอนต่อกันมาเรื่องเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เจ้ากรรมนายเวรที่เราเห็นมีชีวิตอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราไม่เห็นนะคะอย่างสมมุติเช่นเราทํางานกับคนคนหนึ่งเราดีกับเขามากเราตั้งใจทํางานให้เขาแต่เราก็มารู้ทีหลังว่าอา้าวเขาเขาไม่ได้เห็นในคุณงามความดีที่เราทําหรือเขาทําให้เราต้องเดือดร้อนเราก็จะคิดว่าอ้าสงสัยเราคงเคยไปทําเขามาก่อนเขาก็เลยคิดแบบนี้กับเรา ค่ะกับอีกแบบหนึ่งคืออย่างสมมติหนูตอนนี้ค่ะคือเป็นมะเร็งคนก็จะบอกว่าให้ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวนนะก็จะได้หายไวๆอย่างนี้ค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้องด้วยค่ ะ, ะเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นช้าเป็นเร็วเป็นมากเป็นน้อยแค่ น, นั้นเองไม่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรไม่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับบาปที่เราทํำมาทําทบาปมากอาจจะเจอโรคภัยแค่เจ็บที่หนักหนาก็ได้ทําบาปน้อยก็อาจจะเจอโรคภัยแค่เจ็บที่ไม่หนักก็ได้อันแต่ไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็แสดงว่าทําบุญเจ้ากรรมนายเจรก็คือคู่อริของเรา เาเจอใครที่เห็นตาเนื้อเห็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ท่เหกันนี้ที่ทํางานด้วยกันเรือที่ไหนพอเจอกันก็แยากเขี้ยวใส่ค <c oughs> ่ะคือเจ้ากรรมในเวรของเราคู่คู่อริของเรา <c oughs> ขขขเราขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราเคยไปทําร้ายเขาหรือเรามีปัญหาต่อกันพอเจอกันมันก็จําได้ค่ะทําบุญให้เขาได้รับไหมคะก็เอาของมาให้เขาเลยเองบุญก็คือของเลยก็คือ <c oughs> เอาไปให้เลยแต่ถ้าเกิด ใส่<ต>บาทนึกถึงอย่างนี้ไม่ได้ไไดถ้าเขาตายถึงจะใส่บาทส่งบุญไปออก็ต้องร้อยเขาตายก่อนแต่เข า, าหนูไปไม่ได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ว่างวันที่จะไปใส่บาทนี้ไปให้เขาเลยค่ขอาาจย์ห้เขาในช่วงปีใหม่่าขอขอข้อศอกหาโอกาสทําทบุญกับเขาให้วันเกิดเขาหรืออะไรเขาเนี่เราก็ใส่ซองไปให้เขาค่ะอันนี้แหละแล้วถ้าทํำบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็รักเราเอง ค่ะก็แสดงว่าเราเข้าใจผิดว่าเราเรากวดน้ําใส่บาทอะไรแล้วก็ส่งให้เขาเขาจะได้ไม่ได้แล้วอ่าเอาเงินไปให้เขาเลยดีกว่าแต่ถ้าเขาเสียชีวิตค่อยทําบุญให้เขาใช่เพาเสียชีวิตเขารับเงินเราไม่ได้แนละ้วที่เราก็ต้องเอาเงินนี้ไปใส่บาทรค่ะพระอาจารย์เอาบุญที่ได้จากการใส่บาทรนี้ส่งไปให้เขาได้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะดูหายแล้วนะคะพระาอาจารย์ก็ดีมากจ้หะหายนานๆ น, นะ <c oughs> อันนี้จังไม่เที่ยงเน่ยประมาทนะไม่ประมาทพระอาจารย์ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเสมอมีคำถามจากช่อง Dr. V Channel ค่ะคุณพรขอโอากาสครับเราจะปฏิเสธหรือบอกกล่าวพระที่ชอบโกรถและขอให้ช่วยปัดัยได้อย่างไรครับเห็นบ่อยๆมากครับขอพระอาจารย์เมตตาให้ปัญญาด้วยครับพระที่ชอบอะไรนะ พระที่ชอบโบกรถตามคั<ผ>มนทางใช่ปะก็เป็นอาการกระทําที่ไม่ควรเพราะเจ้าห้ามพระไม่ให้ไปขอคนที่เขาไม่ได้อนุโมทอศน์เขาเรียกอะไรปวารณาหรือคนที่ไม่ใช่ญาติเนี้ยการไปโบกรถก็เหมือนกับเป็นการขอขอโดยสารซึ่งไม่ควรก็ให้เดินไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครก็มีเมตตาสงสารเขาก็จอดรับเองแต่ถ้าไปโบ่งนี่เหมือนกับไปไปขอ คนที่เราไม่รู้จักผิดต่อวินยัยพระสมัยนี้บางทีท่านบวชแล้วไม่มีใครสอนพระวินยัยท่านก็เลยทําไปตามนิ ส, สัยของคารวะร่างกายเป็นพระแต่ใจก็ยังเป็นคารวะอยู่นั้นต้องมีการอบรมสั่งสอนกันตามหลักทำวินัยแล้วท้าบวชใหม่ต้องอยู่กับครูอาจารย์ห้าปีด้วยกันไม่ไม่ให้ไปอยู่ตามลําพังทําอะไรตามลําพังต้องศึกษาเรียนรู้ หลักธรรมอย่างน้อยก็ต้องเรียสามขั้นนักทำตีโทเอกขึ้นไปจะได้รู้ข้อห้ามข้อข้ออนุญาตของพระว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ข้อที่ไปขอของคนเนี่ไปเรียรย่ยไรบริจาคขอซื้อขขออะไรต่างๆนี่ถ้าเขาไม่ใช่เป็นญาติหรือเป็นคนที่บอกไว้ก่อนว่าขอได้นี่ล้วก็ไปขอเขาไม่ได้ห้ามพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้ไปรบกวนคนที่ เขาอาจจะไม่สะดวกที่จะทําบุญแต่คนที่เขาสะดวกเขาบอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าท่านขาดอะไรบอกชั้นได้นะอันนี้เราก็ไปบอกเขาได้หรือถ้าญาติพี่น้องนี่ก็บอกได้เพราะญาติพี่น้องก็ต้องคอยช่วยกันดูแลกันอยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้จักนี่ห้ามเด็ดขาดเจค่ะต่อไปเป็นคําถามของคุณชาวรอสช่าพระอาจารย์ครับทําไมครูบาอาจารย์แต่ละคนสอนไม่เหมือนกันครับ บางองค์สอนไตรลักษ์บางองอนให้ทำมโนโมยิธิวางใจไว้ที่นิพพานบางองค์สอนให้ตัดสังโยชน์บางองค์สอนให้ตัดร่างกายแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออะไรครับคือแต่ละองค์ท่านอาจจะรู้ในระดับต่างกันท่านก็เลยสอนในระดับในในระดับที่ท่านรู้ไป<ม>ซึ่งก็ไม่ผิดถ้าถ้ามันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแต่อาจจะไม่สอนครบ ค ร, ครบสูตรพูดง่ายสอนได้บางส่วนเพราะท่านท่านรู้หรือท่านเห็นเพียงส่วนนั้นท่านก็สอนตามส่วนที่ท่านเห็นส่วนที่ท่านยังไม่รู้ไม่เห็นท่านก็ออกมาสอนไม่ได้อมีคำถามนะโยมเยอะเอ า, าไปพูดนะพอดีผมเห็นต่างชัดนะครับเนวพุทธไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรพูอะไรพอดีมีวันหนึ่งผมท่องอิตีบสูงใช่ไ แต่ว่าท่องไปนานนาไปรู้สึกว่ามันผงเข้าเป็นสมาธิแต่ว่าปากมัท่องอยู่อ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นผิดหรือเปล่าไม่ผิดล่ะก็สวดมันไปเพื่อให้มันเข้าสมาธิให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันเย็นสบายออครับเพอถึงวตอนนั้นมันจะอยู่สวดก็ไม่ต้องสวดถ้ามันนิ่งมันสงบมันสบายก็แสดงว่าเข้าสมาธิแล้วครับอันนั้นอ่ะส่วดมันก็เพื่อเข้าสมาธิ เหมือนกับดูลมเหมือนกับพุโทโธแบบเดียวกันเหมือนทั้งแลขเมันตกใจว่าเออทาไมขงท่องอยู่แต่ว่าทําไมผมเมืนปกติที่ผมนั่งทำสมาธิอยู่พอใจแล้วไม่ไปคิดอะไรมันก็เข้ามาได้ครับผมก็มสแสดงว่ามันได้ผิดใช่ไหมไม่ผิดไม่ผิดเลครับเป็นชาอะไรเห็นมาเลเซียครับมาเลเซียครับมันอยู่เงไทยเลยเมือนไทยครับเพูดไทยเก่งเลยเดี๋ยวไม่ไปต่ออะไรดีดีอันนี้ก็ดีนะ มีคําถามจากคุณแมวเล่าล่าหมูเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะพระอรหันต์ท่านมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดได้ไหมเจ้าคะเช่นพระอรหันต์สุขควิปัสสโกท่านมีโอกาสเข้าใจว่านิพพานศูนย์ได้ไหมคะเพราะท่านไม่เคยเห็นเวลาเป็นพระงานก่อนแล้วเราก็จะรู้เองดีวกว่า มึงอย่าไปยุ่งกับเรื่องของผ้าลานเลยยุ่งกับเรื่องของเราดีกว่าคําถามสักคนกากา้าโฮโฮพระอาจารย์ครับขอวิธีชนะเวทนาใหญ่หน่อยครับก็เวลาเกิดอาการเจ็บที่ร่างกายก็ท่องพุโทธโธพุทโธไปบริกรรมไปนึกสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงความเจ็บถ้าอยู่กับการสวดอยู่กับคําบริกรรมเดี๋ยวจิตก็นี้ยเฉยแล้วก็อยู่กับความเจ็บได้ คำถามจากคนนัสตีรบกวนพระอาจารย์แนะนำวิธีการฟังธรรมจากการผ่านยู u b e หน่อยครับควรจะฟังพระาองงาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งหรือสามารถฟังหลายๆองค์ไปพร้อมๆกันได้ครับก็ฟังแต่ละครั้งฟังองค์เดียวนี่ไม่ฟังสองสามองค์พร้อมกันเ <c> น <oughs> ี่ยันกตีกัน เ, ออเราชอบองค์ไหนเราก็ไปฟังองค์นั้นมันธรรมะของพระเจ้า ก, ก็เหมือนอาหารมีหลากหลายด้วยกัน เราชอบรถเผ็ดก็ไปฟังอาจารย์ที่ด็ ด, ดูดเดือดเราชอบรสอาหารแบบจืดๆชื่ดๆสบายๆแล้วก็ไปฟังอาจารย์ที่ท่านสอนแบบนิ่มนวลคนสอนแต่ละคนมีจิตนิสัยไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาสาระของธรรมนี่เหมือนกันต้องสอนสามเรื่องด้วยกันคือหนึ่งละการกระทําบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสชําำระจิตใจให้สะอาด กำจัดความโลภความโกรธความโหนงให้หมดไปแต่วิธีการสอนก็เหมือนกับร้านอาหารบางทกีก็เอามาเผาเอามาย่างบางคนก็เอามายำเอามาผัดแต่ก็เป็นอาหารที่กินแล้วก็ทำให้ท้องอิ่มได้เหมือนกันธรรมะถ้าเราปฏิบัติมันก็ทำให้ใจเราสงบกำจัดความโลภความอยากได้เหมือนกันมีคำถามจากคุณดิมเพอขอโอกาส กราบเรียนถามเจ้าคะ่ะท่านพระอาจารย์ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีความกังวลและความไม่สบายใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของลูกโดยเฉพาะการทานข้ามือเดียวลูกควรอธิบายหรือควรวานใจอย่างไรดีเจ้าคะก็ถ้าอธิบายได้ก็อธิบายว่าการกรับประทานน้อยๆไม่ทําให้ร่างกายเดือดร้อนเสียหายแต่จะช่วยให้การปฏิบัติไปได้ราบรื่น เพราะมันจะทำให้ไม่ง่วงนอนจะทำให้ไม่เกลียดค้านแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปอธิบายให้เสียเวลาก็ปล่อยเขาไปเราทำอะไรก็ไม่ต้องไปบอกเขาถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาก็ไม่ต้องบอกเขาเราทำไปเพราะเรื่องบางเรื่องนี้เขาไม่เข้าทางธรรมนี้เขาไม่เข้าใจ คำถามจากคุณชวนชมเหล่าหอมสัตว์เดรัจฉานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็ไม่ได้มักผลใช่หรือไม่เจ้าคะเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่มีสิงเงี่ยเปฏิบัติดีไม่ได้สัตวก็ยังต้องฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเพื่อเลี้ยงชีพตัวเขาเองอยู่นั้นการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมถึงแม้จะมาอยู่วัดเนอย่างสุนัขนี่มันก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ คำถามจากคุณศิริวิชชาค่ะผมหาเงินหาทองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยเห็นใบหน้าของพระอาจารย์อิ่มเอิบแล้วมีความสุขมากอยากรู้ว่าต้องทำใจอย่างไรครับก็อย่าไปใช้เงินทองหาความสุขเอาเอาไปทำบุญถ้าอยากจะมีความสุขจากเงินทองก็เอาไปทำบุญแล้วก็จะมีความสุขในระดับหนึ่ง แต่ถ้าอยากจะสุขมากกว่า น, นั้นก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ไปฝึกสมาธิถ้าฝึกสมาธิทําใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขมากยิ่งถ้าได้ปัญญายิ่งยิ่งยังมีความสุขยิ่งยั่งยืนใความสุขทางสมาธิก็เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวถ้าได้ความสุขแบบปัญญาก็จะสงบอย่างถาวรต่อไป ย, ยังไม่มีคำถางไม่ได้ถามเจ้าค <Okay. S 3> ่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะมีคำถามฝากถามเจ้าค่ะ ถ้าเราตั้งใจจะไปทำบุญชวนผู้อื่นไปซึ่งเขาก็ตกลงเราจึงเตรียมของสำหรับตัวเองและผู้อื่นพอถึงเวลาเขาบอกไม่ไปและถ้าเขาไม่ไปคนอื่นก็ไม่ไปเราควรทำใจอย่างไรคะ <c oughs> ไปคนก็เฉยๆไปเขาไม่ไปก็ไม่ไปแล้วเราก็ไปของเราไปอนะไเไม่เกี่ยวกันไงก็แสดงว่าเขาไม่มีสัจจะ นัดกันแล้วไม่รักษาสัตว์จะไว้ข่าวน่าก็อย่าไปนัดกับเขาไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้แต่ไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเสียใจอืหมดแล้วเหรอจ้ะค่ะถ้าหมดแล้วก็เอาท่านนี้ก่อนนะคำนองวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้พิ จ, จารณาเอาไปพิจารณาเพื่อ ความจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองใ้ทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ